เสียงอ่านหนังสือฝึกหัดสมาธิโดยบริกา ร, รพุทโธพระราชนิโรธรังสีคำพีรับปัญญาวิสิตหลวงปู่เทศเทสะรังสีวันหินมากเป้งจังหวัดน้องคายพระเทระฝ่ายวิปัสนาธุระสายพระป่าซึ่งเป็นเิษองค์สำคัญสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอ่านโดยอริยคุณจุมรมพดีจัดทาเพื่อเป็นธรรมทานโดยสมรภูมิอ่อนสี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 หลวงปู่เทศเทสะอรังสีคำนำในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนขอวิงวอนและร้องขอเชิญชวนผู้ที่สอนภาวนากรรมฐานทั้งหลายที่สอนภาวนากรรมฐานในพุทธศาสนาจงสอนให้ยึดมั่นแนวเดียวกันอย่าสอนเป็นคนละแบบต่างๆกันจะเป็นทางหหยณะแก่พระพุทธศาสนา จงสงสารผู้หวังดีต่อพระพุทธศาสนาที่ตั้งใจเข้ามาปฏิบัติเมื่อไม่เห็นเช่นนั้นเข้าแล้วเลยท้อใจอันหนึง่งคนภายนอกพุทธศาสนาเขาจะเห็นไปว่าพระพุทธศาสนานี้สอนมีหลายทางหลายแบบไม่เป็นอันเดียวกันท่านทั้งหลายคงได้ดูตำรับตำราในพระพุทธศาสนามามากแล้วไม่ใช่หรือพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าถึงจิตใจอันเดียว กิเลส ท, ทั้งหลายเกิดจากจิตจิตเป็นผู้ยึดเอากิเลสมาไว้ที่จิตจิตจึงเศร้าหมองเมื่อจิตเห็นโทษของกิเลสแล้วสละถอนกิเลสออกจากจิตได้แล้วจิตก็ผ่องใสบริสุทธิ์นี่เป็นหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่ใช่หรือถึงผู้จะเข้าสู่อริยภูมิก็ต้องเข้าถึงจิตเป็นหนึ่ง เรียกว่ามัคคสมังขีจิตรวมศีล ส, สมาธิปัญญาเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะเข้าถึงอริยภูมิได้ปัญญาค้นคว้าหาเหตุผลของกิเลสนั้นๆจนรู้ชัดแจ้งจำแจ้งด้วยตนเองแล้วนั่งอยู่ที่เดียวนั้นก็เว้นจากความชั่วนั้นๆได้หมดจดสิ้นเชิง แล้วจิตก็แน่วแน่ลงเป็นสมาธิไม่งอนแง่นคลอนแคลนไปไหนหมดจัดโทษนั้นๆก็จิตดวงนั้นปัญญาความรู้เห็นโทษนั้นๆก็จิตดวงนั้นแล้วรวมลงแน่วแน่ลงสู่ในที่เดียวก็จิตดวงนั้นและไม่ต้องตามไปถอนในที่ต่างๆอยู่เฉพาะในที่เดียวในขณะจิตเดียว จิตของพระอริยเจ้าแต่ละขั้นจะเข้าถึงมัคคสมังคีรวมเป็นศีลสมาธิปัญญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนี้แล้วจิตก็ไม่ได้กลับเป็นอย่างนั้นอีกเมื่อถอนออกมาก็จะวิ่งไปตามการมาผจญาณสัมปยุตรู้เห็นตามวิสัยของการมาผจรทุกประการแต่มียานเป็นเครื่องรู้ตามเป็นจริง มิได้หลงไปตามอารมณ์นั้นๆอย่างปูทุชนธรรมดาสำหรับคำว่ากามาพจรหรือกามาวจรหมายถึงพบที่ยังเกี่ยวข้องกับกามญาณสัมปยุตคือประกอบไปด้วยญาณความรู้ที่ถูกต้องหรือประกอบด้วยปัญญาจงพากันมาทำความถูกต้อง ตามพุทธวจนะของพระองค์อย่าพากันถือเอาคนนิยมมากเป็นประมาณจงถือความถูกต้องเป็นหลักเกณฑ์ครั้งพุทธการครูทั้งหกมีสัญชัยปริพาชกเป็นต้นก็มีคนนับถือมากไม่ใช่น้อยในปัจจุบันนี้ใส่บาบาดังที่เราเห็นอยู่ซึ่งสอนให้สะสมกิเลสแต่คนก็ยังนับถือมาก สัตยาไซบาบาเป็นผู้นำลัทธิในอินเดียคนหนึ่งในขณะที่ท่านเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับฉะนั้นขอเชิญชวนท่านผู้ปฏิบัติกรรมฐานทั้งหลายพึงพิจารณาตนเองว่าเราปฏิบัติอยู่ในแนวใดถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหรือยังถ้าไม่ถูกจงรีบแก้ไขให้ถูกต้องเสียก่อนจะสายเกินไป เราถือพระพุทธศาสนาเพื่อเทิดทูนบำรุงให้ศาสนารุ่งเรืองได้มาทำกรรมฐานนี้เป็นทางตรงต่อมรรคผลนิพพานโดยแท้โดยเฉพาะพระภิกษุเราผู้เผยพ ร, พระพุทธศาสนาควรสังวรระวังอย่างยิ่งผู้เขียนไม่มีความสามารถที่จะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้ ถ้าท่านใดมีความสามารถชี้แจงให้เข้าใจได้แจ่มแจ้งแล้วผู้เขียนขออนุโมทนาด้วยอย่างยิ่งทุกๆคนคงมีความปรารถนาที่จะให้พุทธศาสนาดำรงถาวรสืบต่อไปปึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ เมื่อเริ่มจะเข้าเรียนพระกรรมฐานในคณะไหนสํานักพระอาจารย์องค์ใดผู้ที่ท่านสมนิจมณนานในพระกรรมฐานนั้นๆแล้วพึงตั้งจิตเชื่อมั่นในพระอาจารย์องค์นั้นว่าท่านองค์นี้ลหละเป็นผู้ชํานาญในพระกรรมฐานนี้โดยเฉพาะแน่แท้แล้วก็ให้เชื่อมั่นในพระกรรมฐานที่ท่านสอนนั้นว่าเป็นทางที่ถูกต้องแน่นอนและพึงให้ความเคารพในสถานที่ ที่ตนไปทําพระกรรมฐานนั้นอีกด้วยและจึงเข้าปีเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไปโบราณอาจารย์ท่านมีพิธีปลุกศรัทธาเบื้องตน้นก่อนเรียนเอาพระกรรมฐานคือจัดยกครูด้วยเทียนขี้พึ่งห้าคู่ดอกไม้ขาวห้าคู่เรียกว่าขันห้าเทียนขี้พึ่งแปดคู่ดอกไม้ขาวแปดคู่เรียกว่าขันแปด หรือเทียนขี้พึ่งคู่หนักเล่มละหนึ่งบาทดอกไม้ขาวเท่ากับเทียนแล้วเอารัตนาเอาพระกรรมฐานทั้งส0สิให้เข้ามาอยู่ในคันท่าสันดานของข้าพเจ้าในการบัดนี้แล้วจึงเรียนเอาพระกรรมฐานนั้นต่อไปพิธีญาบยนต์โบราณการท่านดีเหมือนกันยังมีอีกมากมายแต่ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงจะกล่าวแต่พิธีง่ายๆพอทาได้ในตอนต่อไป เมื่อปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นให้มีขึ้นในจิตใจของตนดังกล่าวมาแล้วจึงเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในกรรมฐา น, นนั้นๆถ้าท่านชำนาญในฝ่ายบริกรรมสัมมาอารหังท่านก็สอนให้ภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังให้กําหนดเป็นดวงแก้วใสยอยู่เหนือสะดือขึ้นไปสองนิ้วแล้วอจิตไปตั้งไว้ตรงนั้นภาวนาไปเรื่อยๆ อย่าให้จิตหนีไปจากดวงแก้วหมายความว่าเอาดวงแก้วเป็นที่ตั้งของดวงจิตก็แล้วกันเมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชำนาญในด้านการภาวนายุบหนอพองหนอท่านก็สอนให้ภาวนายุบหนอพองหนอให้กําหนดเอาจิตไปไว้ที่อิรยาบถต่างๆเช่นยกเท้าขึ้นว่ายุบหนอเหยียบเท้าลงก็ว่าพองหนอ หรือพิจารณาให้เห็นความเกิดและความดับทุกอิริยาบถอย่างนี้เรื่อยไปเป็นอารมณ์เมื่อท่านเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ชํานาญในด้านอิทธิฤทธิ์ท่านก็สอนคาถาภาวนาให้ว่านามพะพัทะนามพะพัทะให้เอาจิตเป็นอารมณ์อันหนึ่งจิตจะพาไปเห็นเทพนรกอินพรหมต่างๆนานาหลายอย่างจนเพลินอยู่กับอารมณ์นั้นๆ เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ท่านชำนาญในด้านอาณาปานสติท่านก็จะสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกให้จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเป็นอารมณ์เมื่อเข้าไปหาพระอาจารย์ที่ท่านชำนาญในด้านภาวนาพุทโธ ท, ท่านก็จะสอนให้บริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธแล้วให้เอาจิตไปตั้งมัน่นอยู่ในคาบริกรรมนั้น จนชำนาญเต็มที่แล้วก็จะสอนให้พิจารณาพุโทโธกับผู้ว่าพุโทโธเมื่อพิจารณาเห็นเป็นคนละอันกันจึงพึงจับเอาผู้ว่าพุโทโธส่วนพุโทโธนั้นจะหายไปเหลือแต่ผู้ว่าพุโทโธอย่างเดียวให้ยึดเอาผู้ว่าพุโทโธนั้นเป็นหลักต่อไป คนในสมัยนี้หรือในสมัยไหนก็ตามหรือจะมีความรู้ความสามารถสักปานใดก็ตามไม่ได้โทษว่าคนเหล่านั้นมักตื่นเต้นในสิ่งที่ตนเคยทดสอบหาความจริงแล้วหลงเชื่อตามเพราะเขาเหล่านั้นอยากรู้อยากเห็นของจริงโดยเฉพาะคนถือพระพุทธศาสนามาแล้วและพุทธศาสนาก็แสดงถึงเหตุผลซึ่งเป็นจริงทั้งนั้น แต่ทำไมจึงต้องไปหลงเชื่อตามคำโฆษณาซึ่งมีอยู่ดาดเดือนทั่วไปนี่จะเป็นเพราะคนในสมัยนี้ใจร้อนยังไม่ทำให้ถึงพร้อมแต่อยากได้ผลเร็วอย่างที่เขาพูดกันว่าคนสมัยปรามานูนั้นกระมังพุทธศาสนาสอนเข้าถึงจิตใจอันเป็นนามธรรมส่วนร่างกายมันเป็นรูปธรรม รูปธรรมมันต้องอยู่ในบังคับบัญชาของนามธรรมเมื่อเริ่มหัดสมาธิฝึกหัดจิตให้สงบไม่วุ่นวายในขณะนั้นไม่เห็นไปทำความเดือดร้อนให้แก่ใครทั้งหมดฝึกหัดไปจนชำนาญได้ที่แล้วผู้นั้นก็สงบเยือกเย็นมีคนฝึกหัดอย่างนี้จำนวนมากๆเข้าโลกอันนี้ก็จะมีแต่ความสงบสุขทั่วกัน ส่วนรูปธรรมนั้นเราจะฝึกหัดให้สงบได้ก็แต่เมื่อจิตบังคับอยู่เท่านั้นเมื่อจิตเผลอกายก็จะเป็นไปตามเรื่องของมันฉะนั้นเราพากันมาฝึกหัดจิตบริกรรมพุทโธลองดูบุพภกิจก่อนทำสมาธิ ก่อนจะทำกรรมฐานภาวนาพุทโธพึงทำบุพกิจเบื้องต้นก่อนคือตั้งจิตให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสให้เต็มที่ดังได้อธิบายมาแล้วข้างต้นแล้วพึงกราบสามหนแล้วกล่าวอารหังสัมมาสัมพุโทโธภักขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์ปรารถรู้ถูกท่วนดีแล้วพุธทธังภกขวันตังอภิวาเทมิ ข้าพเจ้าอภิวาสกราบไหว้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นและพึงกราบลงหนหนึ่งสวากขาโตภคะวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการกราบไหว้ซึ่งพระธรรมเจ้านั้นและพึงกราบลงหนหนึ่ง สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีแล้วสังคังนามามีข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสงฆ์ปึงกราบลง ห, ลหนึ่งณูตัสสะภคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจกล่าวสามจบประลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาเอกของโลก ส่งพ้นจากทุกข์และจากกิเลสทั้งปวงแล้วส่งอยู่กระเสรมสำราญทุกเมื่อแลวพึงกราบลงอีกสามหนบุพภิกิจเบื้องต้นที่นำมาแสดงให้ดูนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นหากใครได้มากจะไหว้มากก็ได้ไม่ขัดข้องแต่ต้องไหว้ก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งไปเว้นแต่สถานที่ไม่อำหนวย สำหรับคำว่าหากใครได้มากจะไหวมากก็ได้น่าจะหมายถึงการสวดมนต์แบบบทเต็มนะครับซึ่งในที่นี้ท่านนำแค่คำเริ่มต้นในการบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งใครจะสวดบทเต็มหรือสวดมากกว่านี้ก็ได้วิธีนั่งสมาธิพึงนั่งสมาธิดังนี้ เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งตัวให้ตรงแล้วนึกเอาคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธกาหนดไว้ที่ท่ามกลางหน้าอกคือใจอย่าให้จิตส่งสายไปมาข้างหน้าข้างหลังพึงตั้งสติสํารวมจิตให้อยู่คงที่เป็นเอกขตาจิตแน่วแน่จิตเป็นหนึ่งแน่วแน่ จิตก็จะเข้าถึงสมาธิได้เลยเมื่อเข้าถึงสมาธิแล้วบางทีก็ไม่รู้ตัวหายเงียบไปเลยไม่รู้ว่าเรานั่งนานสักเท่าใดกว่าจะออกจากสมาธิก็เป็นเวลาตั้งหลายชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงไม่ต้องกําหนดเวลาให้ปล่อยตามเรื่องของมันเอง จิตที่เข้าถึงสมาธิที่แท้คือจิตที่เป็นเอกัตาจิตถ้าไม่เข้าถึงเอกัตาจิตได้ชื่อว่ายังไม่เป็นสมาธิเพราะใจแท้มีอันเดียวถ้ามีหลายอันอยู่ยังไม่เข้าถึงใจเป็นแต่จิตก่อนจะฝึกหัดสมาธิพึงเข้าใจเรื่องจิตกับใจเสียก่อน ในที่นี้พึงทำความเข้าใจซะก่อนว่าจิตกับใจมิใช่อันเดียวกันจิตเป็นผู้คิดนึกปรุงแต่งสัญญาอารมณ์สรรพสิ่งทั้งปวงสัญญาคือความจำได้หมายรู้ใจเป็นผู้นิ่งอยู่เฉยเฉยเพียงแต่รู้ว่านิ่งอยู่เฉยเฉยไม่มีคิดนึกปรุงแต่งอะไรอีกเลย เปรียบเหมือนกับแม่น้ํากับคลื่นของแม่น้ําเมื่อคลื่นสงบแล้วจะยังเหลือแต่แม่น้ําอันใสแจ๋วอยู่อย่างเดียวสรรพวิชาทั้งหลายและกิเลสทั้งปวงจะเกิดมีขึ้นมาได้ก็เพราะจิตคิดนึกปรุงแต่งแสสายหามาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นจะเห็นได้ชัดด้วยใจของตนเองก็ต่อเมื่อจิตนิ่งแล้วเข้าถึงใจ น้ำเป็นของใสสะอาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อมีผู้เอาสีต่างๆมาผสมกับน้ำนั้นน้ำนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสีนั้นๆแต่เมื่อกลั่นกรองเอาน้ำออกมาจากสีนั้นๆแล้วน้ำก็จะใสสะอาดตามเดิมจิตกับใจก็มีอุ ป, ปมาอุปไมยดังอธิบายมานี้ แท้จริงพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาไว้แล้วว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นถ้าไม่มีใจจิตก็ไม่มีจิตเป็นอาการใจไม่มีอาการการฝึกหัดสมาธิภาวนาไม่ว่าจะฝึกหัดโดยอาจารย์ใดและวิธีใดก็แล้วแต่เถิด ถ้าถูกทางแล้วจะต้องเข้าถึงใจทั้งนั้นเมื่อเข้าถึงใจเห็นใจของตนแล้วก็จะเห็นสัพพากิเลสของตนทั้งหมดเพราะจิตมันสะสมกิเลสไว้ที่จิตนั้นทั้งหมดราวนี้เราจะจัดการอย่างไรกับมันก็แล้วแต่เราหมอซึ่งจะรักษาโรคนั้นนั้นให้หายขาดได้ก็ต้องค้นหาสมุดฐานของโรคนั้น ไม่รู้จักเสียก่อนแล้วจึงจะวางยาให้ถูกกับโรคนั้นได้เราบริการพุทโธพุทโธพุทโธไปนานๆเข้าจิตก็จะค่อยคลายความฟุ้งซ่านและจะค่อยรวมเข้ามาอยู่กับพุทโธจิตจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวกับพุทโธจนเห็นจิตที่ว่าพุทโธอันใดจิตก็อันนั้นอยู่ตลอดทุกเมื่อ ไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอิรยาบถใดๆก็เห็นจิตใสแจ๋วอยู่กับพุทโธนั้นเมื่อได้ถึงขนาดนั้นแล้วขอให้ประคองจิตนั้นไว้ในอารมณ์นั้นนานแสนนานเท่าที่จะนานได้อย่าเพิ่งอยากเห็นนั่นเห็นนี่หรืออยากเป็นนั้นเป็นนี้ก่อนเลยเพราะความอยากเป็นอุปสรรคแห่งจิตที่เป็นสมาธิอย่างร้ายแรง เมื่อความอยากเกิดขึ้นสมาธิก็จะเสื่อมทันทีสมาธิเสื่อมเพราะหลักสมาธิคือพุทโธไม่มั่นคงราวนั้นแหละคว้าหาหลักอะไรก็ไม่ได้เกิดความเดือดร้อนคิดถึงแต่อารมณ์ที่เคยได้รับสมาธิความสงบสุขเมื่อก่อนจิตก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ฝึกหัดสมาธิ ให้เหมือนชาวนาทำนาเขามีรีบร้อนเขาหวานกล้าไถคลาดปักดำโดยลำดับไม่ข้ามขั้นตอนแล้วรอให้ต้นข้าวแก่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่เห็นเมล็ดไม่เห็นรวงเลยแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นของเขาว่าจะมีเมล็ดมีรวงวันหนึ่งข้างหน้าแน่ๆเมื่อต้นข้าวแก่แล้วออกรวงมาจึงเชื่อแน่ว่าจะได้รับผลแน่แล้ว เขาไม่ไปชักดึงต้นข้าวให้ออกรวงเอาตามใจชอบผู้ไปกระทําเช่นนั้นย่อมไร้ผลโดยแท้การฝึกหัดสมาธิภาวนาก็เช่นเดียวกันจะรีบร้อนข้ามขั้นตอนย่อมไม่ได้ต้องตั้งจิตให้เลื่อมสาศรัทธาแน่วแ น, วแน่ว่าอันนี้หละเป็นคำบริกรรมที่จะทำให้จิตของเราเป็นสมาธิได้แท้จริง เราอย่าเป็นลังเลสงสัยว่าคำบริกรรมนี้จะถูกกับเจริตนิสัยของเราหรือไม่หนอะคำบริกรรมอันนั้นคนนั้นทำแล้วมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราทำแล้วจิตไม่ตั้งมัน่นอย่างนี้ใช่ไม่ได้ถ้าจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในคำบริกรรมที่ตนภาวนาอยู่นั้นแล้วเป็นใช้ได้ทั้งนั้น เพราะภาวนาก็เพื่อต้องการทำจิตให้แน่วแน่เท่านั้นส่วนนอกนั้นมันเป็นตามบุญวาสนาของแต่ละคนรั้งพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งไปภาวนาอยู่ใกล้สระน้ำแห่งหนึ่งเห็นนกกระยางตัวหนึ่งโจปลากินเป็นอาหารท่านเลยถือเอาเป็นคาบริกรรมภาวนาจนได้สาเร็จเป็นพระอรหรันต์ นกกระยางกินปลาไม่เคยเห็นในกรรมฐานบทใดแต่ท่านเอามาภาวนาจนได้สำเร็จนี้เป็นตัวอย่างจิตที่ตั้งใจอบรมให้เป็นขอบเขตของคำบริการพุทโธพุทโธพุทโธซึ่งมีสติเป็นผู้ควบคุมแล้วยอมจะละพยศตัวร้ายกาศของตัวเองได้ แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมเราต้องการความสุขสงบของจิตธรรมดาของจิตย่อมมีอารมณ์สงสยัยหาความฟุ้งซ่านเป็นวิสัยอยู่แล้วดังอธิบายมาแล้วโดยมากมันจะสงสัยเป็นในอารมณ์เหล่านี้คือพอเริ่มบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเอาจิตไปตั้งไว้ในพุทโธพุทโธเท่านั้นแหละ มันจะไม่อยู่ในพุทธโธมันจะวิ่งไปหาการงานที่เราเริ่มจะทำหรือกําลังทำอยู่ปรุงแต่งทํานั่นทํานี่วุ่นวายกันไปหมดกลัวการงานมันจะไม่ดีไม่งามกลัวการงานนั้นมันจะไม่สาเร็จการงานที่เรารับจากคนอื่นหรือเรารับเฉพาะส่วนตัวมันจะเสียประโยชน์หรือขายขี้หน้าเมื่อเรารับแล้วไม่ทาตามเป็นต้น นี่เป็นเรื่องรบกวนใจแม้ให้เป็นสมาธิของผู้อบรมมายอย่างหนึ่งเราดึงเอาจิตมาไว้ที่พุโทโธพุโทโธพุโทโธนั่นอีกบอกว่านั่นไม่ใช่หนทางแห่งความสงบทางสงบแท้ต้องอาจิตมาตั้งไว้ที่พุโทโธแห่งเดียวแล้วบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรื่อยไปประเดี๋ยวส่งไปอีกแล้วราวนี้ไปถึงครอบครัวนวน ส่งไปหาลูกไปหาภรรยาไปหาสามีโนนเขาจะอยู่อย่างไรเขามีสุขภาพพลานามัยดีหรือไม่หนอได้บริโภคอาหารดีมีรถหรือไม่หนอถ้าอยู่ห่างไกลกันก็คิดถึงที่อยู่ที่นอนจะอยู่จะกินอย่างไรผู้จากไปก็คิดถึงผู้อยู่ทางบ้านผู้อยู่ทางบ้านก็คิดถึงผู้ไปไกลกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย กลัวคนอื่นจะมาคมเหงไม่มีผู้อยู่เป็นเพื่อนกลัวจะเหงาหงอยเป็นต้นคิดไปร้อยแปันก้าสุดแท้แต่จิตจะปรุงจะแต่งไปซึ่งเรื่องเหล่านี้มันคิดไปเกินกว่าเหตุทั้งนั้นหรือถ้ายังเป็นโสดเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็จะปรุงจะแต่งไปทางสนุกสนานเพลิดเพลินกับหมู่เพื่อนที่เคยเที่ยวสนุกเฮฮาไปในที่ต่าง บางคนถึงกับอุทานเป็นเสียงดังหัวเรกกาะก็มีอิเลตตัวนี้มันร้ายแรงยิ่งกว่าเพื่อนเมื่อภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธอิเลตมันเห็นว่าไม่ได้การแล้วเขาจะหนีจากเราไปอีกแล้วมันก็จะสรรหาสิ่งที่จะผูกมัดให้เราติดมั่นเข้าทุกทีเราเกิดมาตั้งแต่เด็กจนโต เราไม่เคยฝึกหัดสมาธิภาวนาเลยมีแต่ปล่อยให้จิตไปตามอารมณ์ของกิเลสพึ่งมาฝึกเดี๋ยวนี้เองเมื่อมาภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเพื่อให้จิตมันมารวมอยู่ที่พุโทโธจิตมันจึงดิน้นเหมือนกับบุคคลโยนปลาขึ้นจากน้ำไปที่บนหาดปลาย่อมดิ้นหาน้ำเป็นธรรมดาเราดึงเอาจิตให้เข้ามาหาพุโทโธอีก พุโทโธเป็นของเย็นเป็นทางให้เกิดสันติสุขมีทางเดียวเท่านี้ที่จะทำให้พ้นจากทุกข์ในโลกนี้ได้เราดึงเอาจิตเข้ามาอยู่ในพุโทโธพุโทโธอีกหากคราวนี้พอสงบลงไปได้บ้างพอรู้สึกว่าจิตมันอยู่พอเห็นลางๆว่าจิตมันอยู่มีความสุขสบายต่างกับจิตไม่สงบมีความทุกข์เดือดร้อน ตั้งใจระวังเอาสติประคองอารมณ์นั้นไว้เอาไปอีกแล้วโนนเรานี้ไปยึดเอาผลประโยชน์มาเป็นเครื่องอ้างว่าถ้าสิ่งนั้นเราไม่ทำหรือเราไม่สแสวงหาก็จะเสียโอกาสอันมีค่ามหาศาลแล้วก็เอาจิตไปจดจ่ออยู่เฉพาะสิ่งนั้นแทนคำบริกรรมพุทโธส่วนพุทโธมันลีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ กว่าจะรู้ว่าพุทโธหายไปแล้วมันก็สายเสีแล้วจึงว่าจิตนี้เป็นของดิ้นรนกระเสือกกระสนรักษาได้ยากเหมือนกับลิงอยู่ไม่เป็นสุขบางทีนั่งสมาธิภาวนานานๆเข้ากลัวโลหิตจะไม่เดินหรือเดินไม่สะดวกกลัวเส้นประสาทจะตายเกิดเป็นเน็บชาในที่สุดเป็นอมภาษ ถ้าไปภาวนาไกลบ้านหน่อยหรือในป่าก็ยิ่งกลัวใหญ่กลัวเสือจะมากินกลัวงูจะมากัดกลัวผีจะมาหลอกทำท่าทีต่างๆนานาใสความกลัวตายยุบยิบไปหลายอย่างหลายประการล้วนแล้วแต่ตัวเองหลอกตัวเองทั้งนั้นความจริงหาได้เป็นดังคิดนึกไม่ตั้งแต่เราเกิดมาจนป่านี้ยังไม่เห็นเสือกินคนสักคนเดียวผีก็ไม่เคยเห็นเลยสักที แม้แต่ตัวผีก็ไม่เคยเห็นเลยสักทีไม่ทราบว่าตัวมันเป็นอย่างไรแต่ก็ปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตัวเองอุปสรรคของการภาวนาที่ชักตัวอย่างมานี้พอเป็นตัวอย่างเท่านั้นความจริงแล้วมันมีมากกว่านี้ตั้งหลายเท่าผู้ภาวนาแล้วจะรู้ด้วยตนเอง หากว่าเรายึดเอาพุโทโธพุธโทโธมาไว้ที่ใจแล้วเอาสติควบคุมจิตให้อยู่กับพุโทโธอันเดียวภัยอันตรายทั้งปวงจะไม่มาแผ่วพานขอให้เชื่อมันในพุโทโธจริงๆเถิดรับรองว่าไม่มีอันตรายแน่นอนเว้นศีตกรรมเก่าที่เขาเคยได้กระทำไว้นั่นเป็นของสุดวิสัยแม้พระพุทธเจ้าก็ป้องกันให้ไม่ได้ ผู้ภาวนาทั้งหลายแร ก, แรกๆศรัทธายังอ่อนไม่ว่าจะบริกรรมอะไรก็แล้วแตเ่เถอะจะต้องถูกกิเลสเหล่านี้รบ ก, กวนด้วยกันทั้งนั้นรอกิเลสเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานของโลกและพื้นฐานของจิตเมื่อเรามาภาวนาทําจิตให้เป็นอันเดียวเท่านั้นแหละกิเลสเห็นว่าเราจะหนีจากมันกิเลสเหล่านั้นมันจะมารุมล้อมไม่ให้เราหนีจากโลกนี้ได้ ผู้มาเห็นโทษของมันว่ามันร้ายแรงอย่างนี้และทำใจให้กล้าหาญลูกศรัทธาให้หนักแน่นมั่นคงคิดเสียว่าเราได้ลงเชื่อกิเลสมาหลายพบหลายชาติแล้วคราวนี้เราจะยอมเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาพุทธโธเป็นที่พึ่งหลักแล้วตั้งสติให้มั่นคงทำใจให้แน่วแน่ในพุทธโธให้เต็มที่ยอมสละชีวิตเพื่อบูชาพุทธโธ มาให้จิตหนีจากพุทโธเมื่อเราตั้งปณิธานไว้อย่างนั้นแล้วจิตก็ดิ่งเข้าสู่อารมณ์เป็นหนึ่งเข้าถึงสมาธิได้ผู้ที่เข้าถึงสมาธิทีแรกจะมีอาการอย่างนี้คือเราจะไม่ทราบเลยว่าสมาธิหรือจิตเป็นเอกคัตตอารมณ์เป็นอย่างไร เราเพียงแต่ตั้งสติให้แน่วแน่แนสู่อารมณ์อันเดียวด้วยอำนาจจิตตั้งมัน่นสู่อารมณ์อันเดียวนั่นแหละเป็นเหตุนำจิตให้เข้าถึงสมาธิได้แล้วก็ไม่ได้คิดนึกว่าอาการของสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันเป็นของมันเองโดยอัตโนมัติไกลๆจะบังคับให้มันเป็นไม่ได้ ในขณะนั้นจะมีความรู้สึกเหมือนกับเราอยู่อีกโลกหนึ่งต่างหากมีความสุขสบายวิเวกหาอะไรเปรียบไม่ได้ในโลกนี้เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วจะรู้สึกเสียดายอารมณ์อันนั้นและจำอารมณ์อันนั้นได้อย่างแม่นยำที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่จิตถอนออกมาจากอารมณ์นั้นทั้งนั้นในขณะจิตกำลังรวมอยู่นั้น ใครจะพูดจะทำอะไรไม่รับรู้ทั้งหมดเราต้องฝึกจิตให้เข้าถึงสมาธิอย่างนี้อยู่บ่อยๆเพื่อให้ชานิชำนานแต่อย่าไปจำอารมณ์เก่าอย่าอยากให้เป็นอย่างเก่ามันจะไม่เป็นอย่างนั้นซ้ำจะยุ่งใหญ่เป็นแต่เราคอยพิจารณาพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตอยู่ในคำบริกรรมนั้นก็แล้วกัน มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันจิตเป็นสมาธิใหม่เมื่อมันเป็นอีกมันจะไม่เป็นอย่างเก่าแต่ก็ช่างมันมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันขอให้มันเป็นสมาธิก็แล้วกันมันเป็นหลายอย่างจึงได้ความรู้กว้างและมีอุบายมาก อธิบายมาโดยย่อนี้พอเป็นนิทัตอุทาหนขอพูดทำตามนี้จงอย่าได้เอามาใส่ใจมันจะเป็นสัญญาคือความจำภาวนาจะไม่เป็นไปเพียงแต่จำไว้เป็นเครื่องเทียบเคียงในเมื่อเราภาวนาเป็นไปแล้วผู้ภาวนาทั้งหลาย ไม่ว่าจะภาวนาพุโทโธหรือยุบหนาพองหนาหรือสัมมาอรหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตรวมเป็นสมาธิแล้วไม่คิดว่าจิตเราจะรวมหรือกำลังรวมอยู่หรืออะไรทั้งหมดแต่มันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติแม้ที่สุดคำบริกรรมอยู่นั้นก็ไม่ทราบว่ามันวางเมื่อไหร่มันจะมีแต่ความสงบสุขอยู่อันหนึ่งตั้งหาก ซึ่งไม่ใช่โลกนี้และโลกอื่นหรืออะไรทั้งหมดและไม่มีใครหรือสิ่งอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่สภาพของมันต่างหากซึ่งเรียกว่าโลกของจิตในที่นั้นจะไม่มีคําว่าโลกนี้หรืออื่นใดทั้งสิ้นสมมุติบัญญัติในโลกอันนี้จะไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะฉะนั้นในที่นั้นมันจะไม่เกิดปัญญาอะไรทั้งสิ้น เป็นแต่หัดจิตให้เป็นสมาธิไว้แล้วเทียบเคียงกับจิตไม่เป็นสมาธิว่าผิดแปลกต่างกันอย่างไรจิตเข้าถึงสมาธิเมื่อถอนออกมาพิจารณาในทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันอย่างไรกับจิตที่ไม่ได้เป็นสมาธิในที่นี้จะพูดถึงเรื่องจิตกับใจ ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งไหนๆก็พูดเรื่องฝึกหัดจิตคือสมาธิถ้าไม่เข้าใจเรื่องจิตกับใจแล้วก็ไม่ทราบว่าจะฝึกหัดอบรมสมาธิได้ที่ไหนและอย่างไรเกิดมาเป็นคนและสัตว์แล้วใครๆก็มีจิตใจด้วยกันทุกคนแต่จิตและใจนี้มันทําหน้าที่ต่างกันจิต มันให้คิดนึกให้สงสยัยและปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดร้อย0 0ันแล้วแต่กิเลสมันจะพาไปส่วนใจนั้นคือผู้รู้อยู่เฉยๆไม่นึกคิดไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหมดอยู่เป็นกลางกงในสิ่งทั้งปวงตัวผู้รู้อยู่เป็นกลางกลางนั่นแหละคือใจใจไม่มีตัวตนเป็นนามธรรม เป็นแต่ผู้รู้เฉยๆเราจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้อยู่ในกายหรือนอกกายที่เรียกหัยวัตถุว่าหัวใจนั้นไม่ใช่ใจแท้เป็นแต่เครื่องสูบฉีดเลือดให้วิ่งไปทั่วร่างกายแล้วยังชีวิตให้เป็นอยู่เท่านั้นถ้าหัวใจไม่ฉีดเลือดให้เดินไปทั่วร่างกายแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ตามภาษาชาวบ้านที่พูดกันเป็นประจำเช่นคำว่าฉันเสียใจฉันดีใจฉันร้อนใจฉันเศร้าใจฉันตกใจฉันน้อยใจอะไรต่อมีอะไรก็ใจทั้งนั้นแต่นักพระอภิธรรมเรียกเป็นจิตทั้งนั้นเช่นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอัพญากฤิจิตเป็นกามาพรจรจิตเป็นรูปปาพรจร จิตเป็นอรูปาพจรจิตเป็นโลกุตระแต่ตัวจิตและตัวใจแท้เป็นอย่างไรหารู้ได้ไหมจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องใช้อายตนะทั้งหกเป็นเครื่องมือพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆตามกิเลสของตนทั้งที่ดีและไม่ดีดีก็ชอบใจไม่ดีก็ไม่ชอบใจล้วนแล้วแต่เป็นจิตคือตัวกิเลสทั้งนั้นนอกจากอายตนะหกนี้แล้วจิตจะเอามาใช้ไม่ได้ท่านแยกออกไปเป็นอิน 6, ทรีย์หกธาตุหสัมผัสหอะไรเยอะแยะแต่ก็อยู่ในอายตนะหกนี้ทั้งนั้น นั่นเป็นอาการลักษณะของจิตผู้ไม่รู้จักนิ่งเฉยผู้หัดจิตคือผู้ทำสมาธิจะต้องสำรวมจิตจิตที่มันดิ้นรนไปตามอายตนะทั้งหกดังที่อธิบายมาแล้วนั้นให้หยุดนิ่งอยู่ในคำบริกรรมพุทโธอย่างเดียวไม่ให้ส่งสายไปมาหน้าหลัง หยุดนิ่งเฉยแล้วรู้ตัวว่านิ่งเฉยนั่นแหละตัวใจใจแท้ไม่มีการใช้อายตนะใดๆทั้งหมดเรียกว่าใจดังชาวบ้านเขาพูดว่าใจใจคือของกลางในสิ่งทั้งปวงเช่นใจมือก็หมายเอาตรงกลางมือใจเท้าก็หมายเอาตรงกลางของพื้นเท้า สิ่งทั้งปวงหมดเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องชี้เข้าหาที่ตรงกลางทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่ใจคนก็ต้องชี้เอาตรงท่ามกลางอกแท้จริงแล้วหาได้อยู่ที่นั้นที่นี้ไม่ดังอธิบายมาแล้วแต่อยู่ตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมดพอให้เข้าใจชัดเข้าอีกทดลองดูก็ได้ พึงอัดลมหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งดูในที่นั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากผู้รู้เฉยอย่างเดียวนั่นแหละใจคือผู้รู้แต่การจับใจอย่างนี้จะอยู่ไม่นานอยู่ได้ช่วขณะที่กลั้นลมหายใจเท่านั้นแต่ทดลองดูเพื่อให้รู้ว่าใจแท้มีลักษณะอย่างไรเท่านั้น การกลั้นลมหายใจนี้ทำให้ทุกขเวทนาเบาบางลงบ้างผู้มีเวทนามากๆจะต้องกลั้นลมหายใจด้วยตนเองเป็นประจำเป็นยาแก้ปวดหายปวดได้ขนาดหนึ่งดีเหมือนกันเมื่อรู้ว่าจิตและใจมีหน้าที่และลักษณะต่างกันอย่างนี้แล้วก็จะฝึกจิตได้ง่ายขึ้น แท้จริงจิตและใจก็อันเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นการฝึกหัดอบรมสมาธิเราฝึกหัดเฉพาะจิตอย่างเดียวก็พอแล้วเมื่อฝึกจิตได้แล้วก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั้นเอง จิตนี้เมื่อเราฝึกอบรมเต็มที่ด้วยการเอาสติเข้าไปควบคุมให้อยู่ในพุทโธเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่ส่งสายไปในที่ต่างๆและจะรวมเข้ามาเป็นหนึ่งและคำบริกรรมนั้นก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวจะมีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขหาอะไรเสมอเหมือนไม่มีผู้ไม่เคยได้ประสบเมื่อประสบเข้าแล้วจะบรรยายอย่างไรก็ไม่ถูก เพราะความสุขสงบชนิดนี้ซึ่งไม่มีคนใดในโลกนี้ได้เคยประสบมาก่อนถึงเคยได้ประสบมาแล้วก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันฉะนั้นจึงบรรยายไม่ถูกแต่อธิบายให้ตัวเองฟังได้ถ้าจะอธิบายให้คนอื่นฟังก็จะต้องใช้อุปมาอุปไมยเปรียบเทียบจึงจะเข้าใจได้ของพันนี้มันเป็นปัจจตังความรู้เฉพาะตน ยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าผู้นั้นได้บำเพ็ญบา ร, รมีมาแต่ชาติก่อนมากแล้วจะเกิดอัศจรรย์ต่างๆนานาเป็นต้นว่าเกิดความรู้ความเห็นเห็นเทวดาพูดผีเปรตอสุรกายและเห็นอดีตอนาคตของตนและคนอื่นในชาตินั้นๆได้เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วและจะเป็นอย่างนั้นต่อไปอีกโดยที่ตนไม่ตั้งใจจะให้เห็นอย่างนั้นเลยแต่เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว มันหากจะเห็นของมันเองอย่างน่าอัศจรรย์มากเรื่องพันนี้ผู้ปฏิบัติสมาธิทั้งหลายฝ่ใจนักหนาเมื่อเห็นหรือรู้แล้วก็คุยโม้ให้คนอื่นฟังเมื่อผู้อื่นทำตามแต่ไม่เห็นหรือไม่เป็นอย่างนั้นก็ชักให้ท้อใจหาว่าบุญของเราน้อยวาสนาของเราไม่มีชักคลายศรัทธาในการปฏิบัติ ส่วนผู้ที่เป็นและเห็นนั้นเห็นนี้ดังที่ว่ามานั้นเมื่อเสริมจากนั้นแล้วเพราะความที่เราเป็นลงเพลินแต่ของภายนอกไม่ยึดเอาใจมาเป็นหลักเลยคว้าอะไรก็ไม่ติดแล้วก็คิดถึงอารมณ์ของเก่าที่เราเคยได้เคยเห็นนั้นจิตก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ผู้ที่ชอบคุยก็เอาแต่ความเก่าที่ตนเคยได้รู้ได้เห็นนั้นมาคุยเฟื้องไปเลย นักฟังทั้งหลายชอบฟังนักแบบนี้แต่นักปฏิบัติเบื่อเพราะนักปฏิบัติชอบฟังแต่ของความเป็นจริงและปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่าพศา ส, สนาของเราจะเสื่อมแล ะ, จะเจริญก็เพราะผู้ปฏิบัตินี้ทั้งนั้นการเสื่อมเพราะผู้ปฏิบัติแล้วได้ความรู้อะไรนิดๆหน่อยๆ ก็เอาไปคุยให้คนอื่นฟังไม่แสดงถึงหลักของสมาธิภาวนาเอาแต่ของภายนอกมาพูดหาสาระอะไรไม่ได้อย่างนี้ทำให้พระศาสนาเสื่อมโดยไม่รู้ตัวผู้ทำให้พระศาสนาเจริญนั้นพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงเป็นประโยชน์ไม่พูดเล่นพูดมีเหตุมีผลปฏิบัติภาวนาอย่างนี้บริกรรมอย่างนี้ ทำจิตให้รวมได้สงบระงับกิเลสความฟุ้งซ่านได้อย่างนี้ผู้บริการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพึงทำใจให้เย็นเย็นอย่าได้รีบร้อนให้ทำความเชื่อมั่นในคำบริการพุทโธมีสติควบคุมจิตของตนให้อยู่ในพุทโธของตนก็เล่ากัน ความเชื่อมั่นเป็นเหตุให้ใจตั้งมั่นไม่คลอนแคลนปล่อยวางความลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดและจิตจะรวมเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธมีสติควบคุมกับพุโทโธเท่านั้นตลอดเวลาจะยืนเดินนั่งนอนหรือประกอบกิจการงานอะไรทั้งหมดก็จะมีสติรู้เท่าอยู่กับพุโทโธอย่างเดียว ผู้ภาวนาสติยังอ่อนอุบายยังน้อยต้องยึดคำบริกรรมพุโทโธเป็นหลักถ้ามิฉนั้นแล้วจะภาวนาไม่เป็นหรือเป็นไปแต่ยังจับหลักไม่ได้ทมสมาธิให้แก่กล้าจิตเด็ดถ้าสติกแก่กล้าภาวนาจิตเด็ดว่าจะเอาอย่างนี้หลักถ้าไม่ได้พุโทโธไม่เห็นพุโทโธขึ้นมาในใจ หรือจิตไม่หยุดนิ่งกับพุโทโธอันเดียวแล้วเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้แม้ชีวิตจะดับก็ช่างมันอย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมลงเป็นหนึ่งโดยไม่รู้ตัวคําบริกรรมที่ว่าพุโทโธหรือสิ่งใดที่เราคล้องใจหรือสงสัยอยู่นั้นก็จะหายไปในพริบตาเดียวแม้ร่างกายอันนี้ซึ่งเราเคยยึดถือมานานแสนานานก็จะไม่ปรากฏในที่นั้น จะยังเหลือแต่ใจคือผู้รู้ผู้สงบเยือกเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเดียวผู้ทาสมาธิได้อย่างนี้เราชอบใจนักกี่หลังทําสมาธิก็อยากได้อย่างนั้นอีกมันเลยไม่เป็นอย่างนั้นนั่นแหละความอยากเป็นเหตุมันจึงไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิเป็นของละเอียดอ่อนมาก เราจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้และไม่ให้เป็นสมาธิก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าเราทำใจร้อนยิ่งไปกันใหญ่เราต้องทำใจเย็นจะเป็นสมาธิหรือไม่ก็ตามเราเคยทำภาวนาพุทโธพุทโธก็ภาวนาไปเรื่อยทาเหมือนกับเราไม่เคยภาวนาพุทโธมาแต่ก่อน ทำใจให้เป็นกลางวางจิตให้เสมอแล้วผ่อน ล, ลมหายใจให้เบาๆเอาสติเข้าไปกำหนดจิตให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเวลามันจะเป็นมันหากเป็นของมันเองเราจะไปแต่งให้มันเป็นไม่ได้ถ้าเราแต่งเอาได้คนในโลกนี้ก็จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วรู้แล้วแต่ทำไม่ถูก ทำถูกแล้วอยากเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นอุปสรรคของการทําสมาธิทั้งนั้นผู้ภาวนาบริการพุทโธต้องทําให้ชํชนานนิชํานาญคล่องแคล่วในขณะที่อารมณ์ทั้งดีและชั่วมากระทบเข้าต้องทําสมาธิให้ได้ทันทีอย่าให้จิตวันไหวไปตามอารมณ์ได้ นึกถึงคำบริการพุโทโธเมื่อไรจิตก็รวมได้ทันทีอย่างนี้จิตจึงจะมั่นคงเชื่อตอนเองได้เ <nu> มื่อหัดให้จ้ำชองชำนิชานานอย่างนี้นานๆเข้ากิเลสความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงมันจะค่อยหายไปเองไม่ต้องไปชำระกิเลสตัวนั้นตัวนี้ว่ากิเลสตัวนั้นจะต้องชำระด้วยธรรมะข้อนั้ น, น, น โดวยวิธีอุบายอย่างนั้นๆเราละกิเลสได้โดยอุบายอย่างไรก็เพึงยินดีเท่านั้นเอาเพียงแค่นี้ก็พอแล้วกิเลสค่อยหายไปโดยอุบายอย่างที่อธิบายแล้วดีกว่าเราจะไปละกิเลสด้วยการปรุงแต่งเข้าฌานที่หนึ่งสองสามสด้วยการละวิตกวิจารปีติสุขมีเอกขตาและอุเบกขาเป็นอารมณ์ หรือทำให้ได้ปฐมมรรคด้วยการละกิเลสสกิยาธิทิวิจิ ก, กิจฉาสิลพัตตาปรามาตรไปมองดูแต่กิเลสนั้นๆว่ากิเลสตัวนั้นๆเราทำจิตให้ได้อย่างนั้นเราพ้นจากกิเลสตัวนั้นๆได้แล้วกิเลสเรายังเหลืออยู่อีกเท่านั้นทำจิตให้ได้อย่างนั้นกิเลสของเราจึงจะหมดสิ้นไปแต่ไม่ได้มองดูจิตผู้เกิดกิเลส ที่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นว่านั้นเป็นตัวกิเลสที่เกาะอยู่กับจิตพอเลิกจากการพิจารณานั้นแล้วจิตก็จะอยู่อย่างเดิมไม่ได้อะไรเลยนอกจากไม่ได้อะไรแล้วพอมีผู้มาแย้งความคิดความเห็นซึ่งไม่ตรงต่อความเห็นของตนแล้วจะต้องโต้แย้งอย่างรุนแรงเหมือนกับไฟลุกและเอาน้ำมันมาราดชฉะนั้น ขอให้ยึดคำบริกรรมพุทโธไว้ให้มั่นคงเถิดถ้าไม่ได้อะไรก็ยังพอมีคำบริกรรมไว้เป็นหลักอารมณ์นั้นๆก็จะเบาบางลงได้บ้างหรืออาจจะระ ง, งับหายไปก็เป็นได้ดีกว่าไม่มีหลักอะไรเป็นเครื่องยึดแท้จริงผู้ภาวนาทั้งหลายต้องยึดเอาคำภาวนาของตนให้มั่นคงจึงจะได้ชื่อว่า ภาวนามีหลักเวลาภาวนาเสื่อมจะได้เอาเป็นหลักพระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ว่าผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสทั้งหลายจงทำตัวให้เหมือนกับนักรบโบราณสมัยก่อนต้องทำกำแพงล้อมเมืองให้แน่นหนามีค่ายคูประตูหอรบเสร็จ เพื่อป้องกันข้าศึกอัญจมาราวีนักรบที่ฉลาดเมื่อออกรบกับข้าศึกเห็นว่าจะสู้ข้าศึกไม่ได้แล้วก็ลาทับกลับสู่พระนครแล้วรักษาพระนครไว้ไม่ให้ข้าศึกเข้ามาทำลายได้พร้อมกันนั้นก็สะสมรีผลอาวุธและอาหารให้พร้อมเพียงเปรียบคือทำสมาธิให้มั่นคงกล้าหาญและจึงออกรบข้าศึกอีกต่อไป คือมวลกิเลส ท, ทั้งปวงสมาธิเป็นกําลังสำคัญมากถ้าไม่มีสมาธิแล้ววิปัสสนาจะเอากําลังมาจากไหนปัญญาวิปัสสนามิใช่เป็นของจะพึงแต่งเอาได้เมื่อไรแต่เกิดจากสมาธิที่หัดได้ชำนิชำนาญมั่นคงดีแล้วต่างหากถึงผู้ได้สุขวิปัสสกะก็เถิด ถ้าไม่สมถะแล้วจะเอาวิปัสสนามาจากไหนเป็นแต่สมถะของท่านไม่คล่องเท่านั้นอย่างนี้พอฟังได้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเมื่อได้ทำสมาธิให้มั่นคงแน่นหนาดีแล้วจนกระทั่งจะเข้าจะออกก็ได้จะอยู่ให้นานๆและพิจารณากายอันนี้เป็นอสุภะหรือเป็นาธาตุก็ได้พิจารณาคนในโลกนี้ทั้งหมด ให้เป็นโครงกระดูกทั้งหมดก็ได้หรือพิจารณาให้เห็นในโลกนี้ทั้งหมดว่างเป็นอัจฉตากากาศว่างเปล่าไปหมดก็ได้จิตผู้มีอสุภะเต็มที่แล้วไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนย่อมเป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองเห็นกิเลสของตนซึ่งเกิดจากจิตของตนได้ชัดเจนว่า อิเลคือความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากสิ่งนี้นี้และมันตั้งอยู่ได้ด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แล้วหาอุบายละด้วยอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับน้ำในสระที่ขุ่นมาเป็นร้อยรอยปีเพึ่งมาใสาสะอาดมองเห็นสิ่งสารพัด ท, ที่มีอยู่ก้นสระว่าแต่ก่อนแต่ไรเราไม่นึกไม่คิดเลยว่าในก้นสระมันจะมีของเหล่านี้ นันเรียกว่าวิปัสนาคือความรู้ความเห็นตามสภาพจริงมันเป็นจริงอย่างไรก็เห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นไม่วิปริตผิดแปลกจากความเป็นจริงของมันสมถะก็ละกิเลสได้เหมือนกันแต่ละได้เหมือนคนทางหญ้าตัดแต่ต้นให้ขาด ไม่ขุดเอารากออกมาให้หมดรากมันย่อมมีเวลางอกขึ้นมาอีกในเมื่อฝนตกลงมาคือเห็นโทษในอารมณ์ที่มันเกิดจากอายตนะหกเหมือนกันแต่เมื่อเห็นโทษก็รีบเข้าหาความสงบโดยไม่พิจารณาอารมณนน์นั้นๆให้ถี่ถ้วนอย่างสมาธิสรุปความแล้วเรียกว่าชอบเอาแต่ความสงบอย่างเดียวไม่อยากให้พิจารณาให้เนื่นช้า เหมือนกับตัวแยะอาศัยรูเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายเมื่อเห็นศัตรูมาก็วิ่งเข้ารูเสียพ้นภัยอันตรายไประยะหนึ่งระยะหนึ่งเท่านั้นผู้ต้องการขุดรากเหง้าของกิเลสในตัวเมื่อกิเลสมันเกิดจากอายตนะทั้ง6ในตัวของตนเช่นตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงเป็นต้นเกิดัาษะขึ้นให้ยินดีหรือยินร้าย ดีใจและเสียใจเป็นต้นแล้วเข้าไปยึดเอามาเป็นอารมณ์ของตนขุนมัวอยู่ในใจจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนอินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งทําอัตตานิบาทฆ่าตนตายก็มีเมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วพึงทำสมาธิให้มั่นคงเป็นหลักเสียก่อนแล้วจึงตั้งจิต พิจารณาเฉพาะในอารมณ์นั้นๆแต่สิ่งเดียวเช่นตาเห็นรูปที่เป็นอิทธารมคือรูปที่น่ายินดีแล้วเกิดความยินดีพอใจขึ้นก็ให้พิจารณาเฉพาะแต่ความยินดีพอใจนั้นว่ามันเกิดจากตาหรือเกิดจากรูปกันแน่เมื่อพิจารณาถึงรูปก็เห็นว่ารูปมันเป็นแต่รูปประทามตังหาก มันจะดีหรือเลวมันไม่ได้มาชักชวนให้เราไปยินดีหรือยินร้ายหรือให้เราไปหลงรักหรือชังมันเป็นแต่รูปเฉยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันดับไปตามสภาพของมันต่างหากเมื่อพิจารณาตามตาผู้ไปเห็นรูปเล่าตาผู้สงสัยไปเห็นรูปพอกระทบเท่านั้น แสงสะท้อนกลับเข้ามาหาจักสุปราสาทเข้าก็เป็นรูปต่างๆน า, นานาเกิดขึ้นตาก็ไม่ได้ชักชวนให้ไปยินดียินร้ายหรือให้รักให้ชังอะไรตามีหน้าที่ให้เห็นเห็นรูปแล้วก็ดับไปสิ่งที่เป็นอิทถารมหน้าพอใจและอนิจถาารมณ์ไม่น่าพอใจหรืออายตนะอื่นๆก็ให้พิจารณาอย่างเดียวกันนี้ เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้มันจะเกิดกิเลสขึ้นก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุทั้งนั้นถ้าเราพิจารณาและไม่หลงตามอายตนะทั้งหกนี้กิเลสก็จะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราตรงกันข้ามมันจะเกิดปัญญาก็เพราะมีอายตนะทั้งหกนี้ อายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นสื่อกลางของความดีและความชั่วจะไปสุขติและทุกขติก็เพราะอายตนะทั้งหกนี้เป็นต้นเหตุโลกนี้จะกว้างก็เพราะจิตไม่มีสมาธิล่อยตามอารมณ์ของอายตนะทั้งนั้นโลกนี้จะแคบ เพราะจิตนี้ได้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่ในบังคับของตนพิจารณาอารมณ์ของอายตนะทั้งหกแต่ภายในคือเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วอายตนะเป็นต้นว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงเหล่านี้จะไม่ปรากฏเลยแต่ปรากฏแต่รูปที่เป็นนามธรรมเสียงที่เป็นนามธรรมปรากฏขึ้นในสมาธินั้นโดยเฉพาะ อายตนะภายนอกจะไม่รู้เลยอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะและธรรมารมเมื่อทำสมาธิให้แน่วแน่เต็มที่แล้วพิจารณาเห็นโลกจิตนี้ มันเป็นเหตุทำให้เกิดอายตนะพัสสะสัญญาและอารมณ์และตลอดสัพพากิเล ท, ทั้งปวงแล้วจิตก็จะถอนจากสิ่งทั้งหมดจะยังเหลือแต่ใจคือผู้รู้อย่างเดียวจิตกับใจย่อมมีลักษณะาอาการต่างกันจิตได้แก่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งและสัญญาอารมณ์ต่างๆ ตลอดถึงไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาไว้ที่จิตจิตเมื่อเห็นโทษทุกข์ทั้งหลายที่ยึดเอากิเลสทั้งปวงมาไว้ที่จิตของตนแล้วยอมสละถอนจากอารมณ์และกิเลสทั้งปวงจากจิตจิตนั้นก็เป็นใจจิตกับใจมีลักษณะอาการต่างกันอย่างนี้ใจ คือผู้เป็นกลางวางเฉยไม่คิดนึกอะไรทั้งสิน้นเป็นแต่รู้ตัวอยู่ว่าวางเฉยใจเป็นธรรมชาติเป็นกลางแท้กลางไม่มีอดีตอนาคตไม่มีบุญหรือบาปไม่ดีและไม่ชั่วนั้นเรียกว่าใจสิ่งทั้งปวงหมดถ้าพูดถึงใจแล้วจะต้องหมายเอาตรงใจกลางทั้งนั้น แม้แต่ใจของคนซึ่งเป็นนามธรรมก็ต้องชี้เข้าไปที่ท่ามกลางอกแต่ใจแท้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราเอาความรู้สึกไปไว้ในกายส่วนใดส่วนหนึ่งจะรู้สึกขึ้นในที่นั้นหรือเอาความรู้สึกนั้นไปไว้นอกกายเป็นต้นว่าเอาไปไว้ที่ต้นเสาหรือฝาผนังบ้านก็จะมีความรู้สึกอยู่ณที่นั้น เป็นอันสรุปได้ว่าใจแท้คือความรู้สึกเฉยอยู่เป็นกลางๆงเมื่อมีความรู้สึกเป็นกลางๆงอยู่หน้าที่ใดใจก็อยู่หน้าที่นั้นที่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าหัวใจหัวใจนั้นไม่ใช่ใจแท้เป็นแต่หัตถ์วัตถุเครื่องสุบฉีดเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงสรีระร่างกายเพื่อให้อยู่ได้ ถ้าไม่มีเครื่องสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วกายอันนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องตายสมองก็เหมือนกันจะคิดดีหรือไม่ดีก็เพราะสมองเป็นเครื่องใช้ของจิตระบบประสาทของสมองเป็นรูปธรรมเมื่อปัจจัยต่างๆของรูปธรรมขาดไปรูปธรรมยอมอยู่ไม่ได้ต้องดับไป จิตซึ่งเป็นนามธรรมนั้นในพุทธศาสนาท่านว่ายังเหลืออยู่เกิดได้อีกนามธรรมจะดับก็ต่อเมื่อปัญญาไปรู้เหตุรู้ผลของนามธรรมนั้นๆแล้วถอนมูลเหตุของมันเสียศาสตร์ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในโลกทั้งหมดสอนกันไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเรียนยิ่งสอนก็ยิ่งกว้างขวางออกไปทุกที มีพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ถึงที่สุดได้พุทธศาสนาสอนเบื้องต้นให้รู้จักกายอันนี้ว่ามีสิ่งต่างๆประกอบกันเข้าจึงเรียกว่าสรีระร่างกายคืออาการส2สองและมีหน้าที่อะไรบ้างพร้อมกันนั้นก็สอนให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นของจริงไปในตัว สอนให้รู้จักโลกอันนี้คือมนุษย์ที่ประกอบไปด้วยทุกข์ทั้งนั้นผลที่สุดก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาของมันฉนั้นเมื่อเราเกิดขึ้นมาได้ก้อนนี้แล้วถึงจะเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยอาสุพะและประกอบไปด้วยทุกนาณาประการก็ตามแต่เราก็ได้มาพึงอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งพึงทาคุณงามความดี ใช้นีโลกเสียก่อนจะตายไปจากโลกนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าคนคือโลกอันนี้แตกดับสลายไปเป็นธรรมดาแต่จิตคือเจ้าของของโลกนั้นเมื่อมีกิเลสอยู่จะต้องกลับมาเกิดอีกฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ฝึกหัดสมาธิ อันเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะเมื่อฝึกหัดทำสมาธิเข้าแล้วหากมีอายตนะผัสสะจะรู้สึกอยู่แต่ภายในคือจิตผู้เดียวผู้เห็นผู้ฟังจะไม่เกี่ยวด้วยตาและหูอายตนะผัสสะจะรู้ด้วยจิตอย่างเดียวได้ชื่อว่าทำโลกนี้ให้แคบเข้ามา อายตนะทั้งหลายเป็นเครื่องวัดจิตของตนได้อย่างดีที่สุดเมื่ออายตนะผัสสะมากระทบจิตของเราเราหวั่นไหวไหมเมื่อหวั่นไหวมากก็แสดงว่ามีสติน้อยมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ก็ยังน้อยเมื่อหวั่นไหวน้อยหรือไม่หวั่นไหวเสยเลยก็แสดงว่าเรามีสติมากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่มากแล้วรักษาตัวได้เลย เหมือนกับพระเทวทัตและพระโพธิสัตว์ย่อมก่อเวรก่อ ก, กรรมแก่กันมาโดยตลอดพระโพธิสัตว์ถ้าไม่มีพระเทวทัตก็จะไม่ได้สร้างบารมีให้เต็มเปี่ยมเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้พระองค์ก็ได้ผจญพยามารอันมีแสนยานุภาพมหื่มาเมื่อตรัสรู้แล้ว ก็มีลูกสาวพญามาราธิราชทั้งสามนางมาตรวสอบอีกทีเป็นอันว่าชาวโลกสองสาธุการว่าพระพุทธเจ้าทรงชนะกิเลสเด็ดขาดในโลกนี้โดยสิ้นเชิงเมื่ออายตนะภายในยังมีอยู่มนโนพัสสะก็ยังเป็นอารมณ์อยู่ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลาย มาเห็นโทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงยอมถอนออกจากสิ่งเหล่านั้นเสียจึงยังคงเหลือแต่ใจที่เป็นกลางกลางกลางไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแล้วโลกอันนี้มันจะมีมาแต่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถึงที่สุดของโลกด้วยประการอย่างนี้ อบรมนำก่อนนั่งสมาธิภาวนาเราพากันมาสารวจจิตกันเถิดจิตนี้พวกเราเคยปล่อยให้มันสอแสแบงหาสิ่งที่มันชอบใจมานานแล้วและสิ่งนั้นมันก็เคยได้มาแล้วแต่จิตมันก็ไม่พอสักทีหาอยู่ร่ำไปเมื่อไรมันจะรู้จักจบจักพอกันสักที คนที่อยู่รอบๆตัวของเรานี้เราก็เห็นตามตาอยู่แล้วเมื่อตายไปก็ไม่เห็นเอาอะไรไปด้วยแม้แต่ร่างกายอันนี้ก็ทอทิ้งถมพื้นดินด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตที่หยุดนิ่งไม่แสสายสแสวงหาอะไรทั้งหมดตั้งมันอยู่กับพุโทโธอันเดียวเรายังไม่เคยได้เลยจงพากันมาภาวนาพุโทโธพุโทโธ ให้จิตมันหยุดนิ่งอยู่อันเดียวลองดูสิบางทีจิตที่อยู่กับพุทธโธอันเดียวกลับจะได้มากกว่าและเป็นของแปลกประหลาดกว่าที่เป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันออกจากหนึ่งสิ่งอันหนึ่งทั้งนั้นเช่นการนับก็ตั้งต้นหนึ่งก่อนหนึ่งสองหนก็เป็นสองหนึ่งสามหนก็เป็นสาม ดังนี้เป็นต้นเป็นต้นหมากรากไม้ทั้งปวงก็ออกจากหนึ่งทั้งนั้นคือรากของมันคนเราก็เหมือนกันเมื่อเกิดมาทีแรกก็เกิดจากปฏิสนธิจิตดวงเดียวแท้เมื่อคลอดออกมาแล้วมีอายตนะขันห้าเครื่องใช้หลายอย่างจิตก็ปรุงแต่งไปหลายอย่างหลายอันจนนับจิตไม่ทวนไม่ทราบว่าจิตมีกี่ดวง ยุ่งกันไปหมดจิตเดิมแท้เลยไม่เห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ค้นหาจิตคือภาวนาพุทธโธเอาจิตมารวมอยู่ในพุทธโธอันเดียวจึงจะเห็นจิตการค้นหาจิตเราต้องทําภาวนาพุทธโธทําให้จิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวจึงจะเห็นจิตของตน เมื่อเราค้นหาจิตเห็นจิตแล้วและเห็นว่านี้คือต้นตอของจิตของสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้จิตที่มากหลายอย่างนั้นมันออกไปจากจิตอันเดียวนี้เมื่อจิตอยู่นิ่งกับพุทธโธอันเดียวสัพพากิเลสทั้งหลายก็ไม่มีแล้วจงใช้สติประคองจิตอันนั้นให้นิ่งอยู่กับพุทธโธอันเดียวเสียก่อน อย่าให้สงสัยไปมาทุกอิรยาบททั้งสี่ทำให้จำนิชํำนานคลองแคล่วจนเราจะให้อยู่ก็ได้หรือเราจะให้คิดค้นพิจารณาในธรรมะต่างๆก็ได้หรือคิดค้นธรรมะต่างๆแล้วจะให้มานิ่งอยู่กับใจก็ได้เมื่อเข้าถึงใจแล้วพุโทโธไม่ต้องบริกรรมก็ได้ จิตกับใจมันต่างกันจิตคือผู้คิดผู้สงสยัยผู้ปรุงแตง่งใจคือผู้รู้ตัวแล้วนิ่งเฉยไม่คิดไม่นึกเรียกว่าใจดังอธิบายมาข้างต้นเมื่อไม่อยากให้กิเลสมารบกวนจงอย่าคิดนึกทำใจให้เป็นกลาง วางเฉยเล่านิ่งอยู่กิเลสทั้งปวงก็จะไม่มารบกวนอีกต่อไป